นาปฏิวันิพิชซุีต่อไปนี้ไม่ต้องระบาดคือ981 1. พิกษุียืนอยู่ที่ส่วนสาธารณะมองเห็น 2. พิกษุีเดินไปเดินมามองเห็น 3. พิกษุีมีุระเดินไปเห็น 4. พิกษุีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. พิกษุีวิกลจริต 6. พิกษุีต้นบัญญัติสิขาบทที่1จบ